ภาคสองพระไตรปิฎกเข้ากันได้กับสถานการณ์ของโลกปัจจุบันแม้ว่าอารยธรรมมนุษย์จะเจริญก้าวหน้ามามากมายผ่านเวลาหลายพันปีจนถึงบัดนี้ที่เรียกกันว่ายุคโลกาพิวัติแต่มนุษย์ก็ยังไม่พ้นหรือห่างไกลออกไปเลยจากปัญหาความทุกข์และการเบียดเบียน บ, บีบคั้นตลอดจนสงคราม มนุษย์หวังจากระบบจริยธรรมของลทัทธิศาสนาต่างๆที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้แต่ลทัทธิศาสนาโดยทั่วไปจะมอบให้เพียงบทบัญญัติหรือคำสั่งบังคับต่างๆที่มนุษย์ต้องปฏิบัติตามด้วยศรัทธาให้มนุษย์พ้นจากปัญหาในตัวและปัญหาระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองไปขึ้นต่อการลงโทษและการให้รางวัลจากอำนาจที่เชื่อว่า อยู่เนื้อธรรมชาติในเรื่องนี้พระพุทธศาสนาตามพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกบาลีมีลักษณะพิเศษที่สอนระบบจริยธรรมแห่งการพัฒนาตัวของมนุษย์เองให้หลุดพ้นจากปัญหาทั้งหลายสู่ความเป็นอิสระที่แท้จริงโดยไม่ต้องไปขึ้นต่ออำนาจบงการจากภายนอกมนุษย์ยุคปัจจุบันได้เจริญมาถึงขั้นตอนหนึ่ง ที่ถือได้ว่าเป็นจุดสูงสุดแห่งอริยธรรมและณจุดนี้อริยธรรมก็ได้นำปัญหาที่เป็นความทุกข์ครบทุกด้านมามอบให้แก่มนุษย์กล่าวคือปัญหาชีวิตปัญหาสังคมที่มาบรรจบถึงความครบถ้วนด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นที่ชัดเจนว่าอริยธรรมที่จเจริญมาสูงสุดอย่างนี้ สามารถมอบปัญหาที่เป็นความทุกข์ให้แก่มนุษย์ได้อย่างครบถ้วนแต่ไม่สามารถนำมนุษย์ให้หลุดพ้นจากทุกแห่งปัญหาเหล่านั้นได้มนุษย์จำนวนมากขึ้นมากขึ้นได้เริ่มมองเห็นว่าพระพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกเป็นคำตอบสำหรับปัญหาแห่งความทุกข์ทั้งหมดนี้ของมวลมนุษย์ซึ่งอาจแสดงให้เห็นเป็นวงกลมซ้อนสามชั้นดังในแผนภูมิต่อไปนี้ หมายเหตุผู้อ่านในหนังสือเขียนเป็นรูปวงกลมซ้อนกันนะครับวงกลมในสุดมีคำว่าทุกข์ใจและลูกศรชี้ไปที่ปัญหาชีวิตตัวปัญหาชีวิตเองมีลูกศรทั้งหน้าหลังชี้ไปที่วงกลมด้านนอกซึ่งเป็นปัญหาสังคมและวงกลมด้านนอกสุดคือปัญหาสิ่งแวดล้อมให้คำนิยามรูปนี้ไว้ว่าปัญหาวงซ้อนสามชั้นของมนุษย์ วงในที่สุดคือปัญหาชีวิตและปัญหาชีวิตที่ลึกซึ้งที่สุดคือปัญหาความทุกข์ในจิตใจของมนุษย์แม้แต่อย่างหยาบที่สุดคือความเครียดก็เป็นปัญหาหนักยิ่งของมนุษย์ยุคปัจจุบันพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนที่เรียกได้ว่าชำนาญพิเศษในการกำจัดปัญหาชีวิตขั้นสุดท้ายคือความทุกข์ในใจนี้ ถึงขั้นที่เข้าถึงความจริงของธรรมชาติด้วยปัญญาและกาจัดเชื้อแห่งความทุกข์ในใจให้หมดสิ้นไปทำให้จิตใจเป็นอิสระโล่งโปร่งพองใสโดยไม่มีทุกข์เกิดขึ้นอีกเลยจากตัวเองออกมาข้างนอกในวงกว้างออกไปคือปัญหาสังคมมันเป็นความทุกข์ที่เกิดจากความสัมพันธ์ที่ผิดซึ่งกลายเป็นความรุนแรงเบียดเบียนกันระหว่างมนุษย์ ในการแก้ปัญหาระดับนี้พระพุทธศาสนาก็ปรากฏเด่นตลอดมาในฐานะเป็นศาสนาที่เผยแพร่โดยไม่ต้องใช้คมดาบไม่เคยมีสงครามศาสนาและไม่มีหลักการใดๆที่จะนําไปใช้เป็นข้ออ้างในการรุกรานหรือทําสงครามได้เลยพระพุทธศาสนามีประวัติแห่งความสงบอย่างแท้จริง สอนเมตตาที่เป็นสากลจนนักปราดยอมรับกันว่าพระพุทธศาสนาเป็นกระบวนการสันตินิยมที่แท้แรกสุดของโลกพระไตรปิดกจึงเป็นแหล่งสำคัญที่สุดที่มนุษย์ผู้ปรารถนาสันติสามารถเรียนรู้หลักการและวิธีการในการดำรงรักษาสันติภาพให้แก่โลกมนุษย์วงนอกสุด ที่ล้อมรอบตัวมนุษย์และสังคมก็คือสิ่งแวดล้อมทั้งหลายโดยเฉพาะระบบนิเวศซึ่งเวลานี้ได้เกิดปัญหาร้ายแรงที่สุดซึ่งคุกคามต่อความอยู่รอดของมนุษยชาติปัญหาสิ่งแวดล้อมนี้เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าเกิดจากแนวคิดผิดพลาดที่เป็นฐานของอริยธรรมปัจจุบันคือความคิดความเชื่อที่มนุษย์เห็นมนุษย์แยกต่างหากจากธรรมชาติ เราให้มนุษย์มีทัศนคติที่เป็นปฏิปักษ์ต่อธรรมชาติมุ่งจะเอาชนะและมีอำนาจที่จะจัดการกับธรรมชาติเพื่อสนองความต้องการผลประโยชน์ของมนุษย์การที่จะแก้ปัญหานี้ได้มนุษย์ต้องการแนวคิดใหม่มาเป็นฐานในเรื่องนี้พระพุทธศาสนาสอนทางสายกลางที่ให้รู้ตามเป็นจริงว่า ธรรมชาติเป็นระบบแห่งความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งปวงรวมทั้งมนุษย์ด้วยซึ่งล้วนเป็นองค์ประกอบที่อิงอาศัยเป็นเหตุปัจจัยแก่กันมนุษย์เป็นองค์ประกอบพิเศษในระบบความสัมพันธ์นั้นโดยเป็นส่วนที่เรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาได้เมื่อมนุษย์นั้นได้พัฒนาตนให้มีคุณสมบัติดีงามทั้งในด้านพฤติกรรมที่จะเป็นไปในทางเกื้อกูลกัน ในด้านจิตใจให้มีเจตจํานงในทางสร้างสรรค์และในด้านปัญญาให้เข้าใจถูกต้องถึงระบบความสัมพันธ์ที่อิงอาศัยกันว่าจะต้องให้ระบบสัมพันธ์นั้นดําเนินไปด้วยดีได้อย่างไรเมื่อมนุษย์ได้พัฒนามีคุณภาพดีแล้วก็จะรู้จักดําเนินชีวิตและจัดดําเนินการทั้งหลายที่จะเกื้อหนุน ให้ระบบความสัมพันธ์แห่งธรรมชาติทั้งปวงนั้นเป็นไปในทางที่สมานเกื้อกูลกันยิ่งขึ้นเป็นทางนํามนุษย์ให้เข้าถึงโลกที่เป็นสุขไร้าการเบียดเบียนผู้สั้นๆว่าพระพุทธศาสนามอบให้ฐานความคิดอย่างไหม่ที่เปลี่ยนแนวทางการพัฒนามนุษย์จากการเป็นคู่ปรัปักที่จะชิงชัยกับธรรมชาติมาสู่ความเป็นองค์ประกอบ ที่เกื้อกูลต่อระบบแห่งการอยู่ร่วมกันของธรรมชาตินั้นเมื่อมองเห็นประโยชน์ของพระพุทธศาสนาในการที่จะแก้ปัญหาข้อใหญ่ที่สุดนี้พระไตรปิฎกก็จะเป็นแหล่งอันอุดมสมบูรณ์ของการศึกษาค้นคว้าเพื่อจุดหมายดังกล่าว